เสียงอ่านหนังสือปฏิหารมีได้อย่างไรเขียนโดยพรรัตนะสุวรรณสารพัดปัญหาถามตอบเกี่ยวกับเรื่องเหนือสามัญวิสัยเรื่องลี้ลับพลังทางจิตความเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นที่คนจำนวนมากยังเชื่อถือหรือยังสงสัยให้รู้ว่าแต่และเรื่องมีจริงแค่ไหนอย่างไรแบบไหนจริงแบบไหนหลอกหรือเกิดจากจิตสร้างขึ้นมาเองและที่เป็นจริง ทำไมจึงทำไม่ได้หรือเจอไม่ได้ทุกครั้งทำไมให้ผลดีผลร้ายกับคนแค่บางคนหรือบางเวลาเท่านั้นเมื่อรู้ชัดด้วยเหตุผลที่ดีพอโดยไม่ขัดแย้งกับหลักปฏิจจสมุปบาทจะทำให้สิ้นสงสัยไม่งมงายเข้าใจในหลักกรรมได้ตรงทางมีผลดีต่อการละสังโยนสามข้อต้นได้ง่ายขึ้นซึ่งเป็นพื้นฐานสู่ความเป็นโสดาบันหรือเป้าหมายเบื้องต้นแห่งพุทธธรรมที่ควรใส่ใจ และไปให้ถึงให้ได้ในชีวิตนี้คำว่าไปให้ถึงคือมีสันทะปฏิบัติตามหลักให้ตรงให้ได้จนเกิดสัมมาทิฐิอย่างแท้จริงนะครับตัวอย่างหัวข้อภายในคำถามตอบว่าสิ่งเหล่านี้มีจริงแค่ไหนและเป็นไปได้อย่างไรคือการเห็นการปรากฏการติดต่อกับโอปปปาติกะหรือผีสางเทวดาในหลายรูปแบบการระลึกชาติ เข้าทรงผีสิงการสะกดจิตวิญญาณโดนใจอวงจุย้ยเรื่องเจ้ากรรมนายเวรในลักษณะที่เป็นตัวตนติดตามอาฆาตมีจริงหรือไม่การทำนายดวงวัตถุมงคลรูปติดวิญญาณสถานที่อาถรรพ์ผลของพลังทางจิตต่อสิ่งแวดล้อมการรักษาโรคทางจิตการทำร้ายด้วยพลังจิตหรือจากสิ่งที่มองไม่เห็นการโดนทดสอบบารมี ผีและเทวดามีอิทธิพลกับมนุษย์ได้แค่ไหนทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้เหตุให้ปว่วยไม่เหมือนกันและเรื่องย่อยอีกจํานวนมากที่น่าสนใจและทําให้เข้าใจกฎแห่งกรรมได้ชัดขึ้น <adapting. S 1> การศึกษาเรื่องพวกนี้จากผู้รู้จ ร, ริงและอธิบายถูกทั้งในแง่หลักธรรมและในแง่วิทยาศาสตร์ทางจิตจะส่งผลดีต่อความเข้าใจธรรมในเชิงลึกและปล่อยวางตัวตนในเบื้องต้นได้ง่ายขึ้นมากเป็นเรื่องที่คนทั่วไปสนใจ และมักเชื่อแบบผิดๆกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิส่งผลเสียใหญ่ทั้งกับตนเองและเป็นการทำลายศาสนาทางอ้อมเพราะเมื่อเชื่อผิดก็จะบูชาคนผิดศรัทธาวัดที่สอนผิดปฏิบัติตนผิดส่วนทางกับอริยมรรคจึงควรใส่ใจและทำความกระจ่างเพื่อหลุดจากความงง ง, งายซึ่งจะมีผลดีทั้งกับตัวเองและสังคมจะได้แนะนำผู้อื่นและคนในครอบครัวให้เชื่อแบบถูกทางต่อไป เพื่อการศึกษาที่ไม่หลงทางแนะนำให้อ่านหรือฟังหนังสือพุทธธรรมฉบับปรับขยายให้จบสักครั้งซึ่งเป็นการสรุปพระไตรปิฎกเป็นหมวดหมู่ให้สะดวกต่อการศึกษามีผลให้เข้าใจพุทธพจน์และคำสอนครูบาอาจารย์ต่างๆได้ดีขึ้นเนื้อหาที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาเรื่องลึกลับเช่นบทที่20เรื่องเหนือสามัญวิสัยปฏิหารและเทวดาและบทที่18โสดาบัน เพื่อจะได้รู้คุณธรรมพื้นฐานแห่งการพ้นทุกข์ที่ควรมีให้ครบก่อนตายและเพื่อความไม่งงง่ายปฏิบัติต่อความเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นได้ถูกทางกันต่อไปคนกลุ่มหนึ่งมักหาว่าเรื่องพวกนี้ไม่ควรสนใจซึ่งก็พูดถูกแค่แง่เดียวคำนี้ใช้ได้กับคนบางกลุ่มเท่านั้นคนอีกมากยังไม่พร้อมจะเข้าใจหลักธรรมขั้นสูงและยังยึดติดเหนียวแน่นกับเรื่องพวกนี้ อยากจะถอนออกได้ง่ายการใช้เรื่องพวกนี้อธิบายให้ตรงหลักธรรมจึงยังจำเป็นเปรียบเหมือนการโยนเชือกให้เขาได้เกาะหรือใช้ดึงออกมาจากลมที่เขากำลังจมอยู่ในขณะที่เขาไม่มีแรงจะปีนขึ้นมาได้เองนะครับให้สังเกตว่าสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ปออประยุตโตท่านแตกฉานในธรรมและเน้นหลักเหตุผลแค่ไหนแต่ท่านกลับไม่ปฏิเสธที่จะอธิบายเรื่องพวกนี้ ไม่เคยบอกว่าอย่าสนใจแต่ให้สนใจอย่างไรให้เกิดประโยชน์ในแบบพุทธศาสนาพุทธมีจุดเด่นคือเป็นวิพัฒวาธะแสดงความจริงโดยจำแนกแยกแยะไม่มองความจริงเพียงด้านเดียวพระพุทธองค์ทรงสอนแต่ละคนแตกต่างกันเช่นตอบคำถามหลายคนว่าตายแล้วจะไปเกิดเป็นอะไรจนบางท่านสลดสังเวชออกบวชบรรลุเป็นอรหรันแต่กับบางคนไม่ทรงตอบ จนบางคนชอบยกมาอ้างว่าไม่ให้สนใจเรื่องพวกนี้เพราะไม่ใช่ทางดับทุก์ซึ่งถือว่าเป็นการบิดเบือนพุทธพจน์จากการแสดงธรรมเพียงแง่เดียวทั้งนี้ก็ต้องเข้าใจนะครับว่ารูบาอาจารย์บางท่านก็สอนสิทธิตรงหน้าด้วยหลักที่เหมาะกับพวกเขาณขณะนั้นเท่านั้นจึงไม่ใช่มติที่จะนาไปใช้ได้กับทุกคนนะครับเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ เป็นภาคผนวกที่ไขความโดยอาจารย์พรประตนาสุวรรณเพื่อตอบข้อสงสัยจากเนื้อหาในหนังสือการติดต่อทางวิญญาณโดยเอสเทลโลเบิร์ตสตรีชาวอังกฤษผู้มีชื่อเสียงในด้านความสามารถพิเศษทางจิตสามารถติดต่อกับโอปปาติกะได้ตั้งแต่ยังเด็กและคงความสามารถนั้นต่อเนื่องยาวนานผ่านการทดสอบพิสูจน์กับคณะบุคคลผู้มีการศึกษาจํานวนมากจนเชื่อมั่นว่าเป็นจริงในที่นี้อาจารย์พร จะอธิบายไขยความเพื่อแก้ความสงสัยในหลายเรื่องที่เอสเทลเขียนไว้ว่าเป็นจริงได้แค่ไหนอย่างไรพร้อมตัวอย่างจัดคำภีร์ทั้งฝ่ายพุทธกับเรื่องจริงที่ท่านได้เจอมาในประเทศไทยเปรียบเทียบเป็นตัวอย่างเพิ่มเติมเป็นหนังสือที่อาจารย์พรท่านบอกว่าเขียนยากที่สุดและบางเรื่องคนจะเข้าใจได้จริงต้องมีปัญญาพอสมควรแต่จะเป็นประโยชน์กับคนทั่วไปในอนาคตได้มากเช่นกันเช่นบางเรื่องถ้าเข้าใจจริง จะส่งผลต่อ ง, งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์อ ย, ย่างคาดไม่ถึงเลยทีเดียวนอกเนือไปจากความเข้าใจกฎแห่งกรรมในเชิงลึกที่จะส่งผลให้กำจัดมิจฉาทิฐิหลายอย่างให้หมดไปจากสังคมปัจจุบันคนจำนวนมากยังงงงายกับสิ่งเหล่านี้ด้วยความเชื่อผิดผิดอันก่อความเสียหายในทางธรรมได้อย่างยากจะถอนตัวเพราะความเชื่อที่ฝังใจที่ติดไปตอนเป็นมนุษย์หลังตายแล้วจะถอนได้ยากมาก และวิธีที่จะคลายออกได้คือต้องศึกษาให้เข้าใจได้มากที่สุดตอนเป็นมนุษย์เท่านั้นการกำจัดความงม ง, งายและดึงคนให้เกิดศีลธรรมในใจโดยไม่ต้องบังคับสำคัญมากต่อการรักษาพระศาสนาให้ยั่งยืนหากเพียงบอกแต่ว่าห้ามสนใจทั้งที่คนทั่วไปสนใจมากและให้ไปหาข้อมูลกันเองไม่ได้ศึกษาจากผู้แตกฉานในธรรมที่อธิบายได้ตรงทางก็จะเห็นได้ว่า สังคมจะตกอยู่ในภาวะวิกฤตอันน่ากลัวอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันถือพวกที่เชื่อก็เชื่ อ, อ, อแบบมุมไงไรเหตุผลพวกที่ไม่เชื่อก็คานสุดตรงจนกลายเป็นตายลศูนล้วนเป็นมิจฉาทิฏฐิร้ายแรงทั้งสองฝ่ายจึงเป็นสิ่งที่ควรใส่ใจศึกษาก่อนเข้าเนื้อหาของหนังสือขอกล่าวสรุปเบื้องต้นในบางแง่มุม เพื่อผู้ฟังที่เป็นเคยได้ฟังงานของอาจารย์พรได้เข้าใจก่อนดังนี้อาจารย์พรรัตนสุวรรณเป็นผู้เชี่ยวชาญพระไตรปิฎกปรชัชญาและศาสตร์ต่างๆมากมายได้รเรียนรมหกประโยคตั้งแต่ยังเป็นสามเณรสอนบาลีที่วัดมห า, าธาตุอยู่ระยะหนึ่งก่อนไปปฏิบัติธรรมอยู่กับท่านพุทธทาสภายหลังย้ายไปเชียงใหม่อบรมธรรมและการทาสมาธิวิปัสสนา กับนักเรียนและประชาชนทั่วไปก่อนเปิดโรงเรียนพุทธศาสนาวนาันอทิตย์ที่เชียงใหม่เป็นแห่งแรกต่อมาได้จัดตั้งพุทธนิคมเชียงใหม่ส่วนพุทธธรรมที่วัดอุโมงค์ท่านยิ่งร่วมกับหลวงพ่อปัญ ญ, ญาอนันทาภิคุรแสดงธรรมแก่นักเรียนและประชาชนทั่วไปจนได้รับความเลื่อมใสยอย่างมากจนเกิดเป็นพุทธสถานเชียงใหม่ขึ้นให้สังเกตนะครับว่าท่านเป็นสหายธรรมที่เทศคู่กับหลวงพ่อปัญญา ซึ่งเป็นพระที่มีกิตติศัพท์ในการแสดงธรรมที่เน้นหลักธรรมล้วนและสอนไม่ให้คนงมงายกับสิ่งที่มองไม่เห็นแนะนำให้ฟังเรื่องปฏิวัติความงมงายซึ่งเป็นแนวทางแห่งพุทธะที่ควรสนใจและนาศึกษาอย่างยิ่งในเวลาต่อมาอาจารย์พรท่านป่วยเป็นวันโรคจึงลาสิกขาออกมารักษาตัวหายแล้วก็กลับมาสอนธรรมอยู่หลายปีแต่ไม่ได้บวชต่อเพราะเห็นว่าการครองชีตแบบคารวะ ทำให้ทำงานเผยแพร่และค้นคว้าวิจัยในแบบของท่านสะดวกคล่องตัวกว่ามากท่านได้รับเชิญให้ไปเป็นอาจารย์ที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสงฆ์และบรรยายทําให้โรงเรียนหน่วยงานรัฐและเอกชนหลายแห่งอีกหลายปีก่อนมาตั้งสำนักค้นคว้าทางวิญญาณเพื่อเผยแพร่ธรรมตามแนวทางของท่านซึ่งมีทั้งธรรมขั้นสูงอย่างการตรวจชาระและจัดพิมพ์อัทกถาดีกามอบให้กับมหาจุฬา แนวทางปฏิบัติสมาธิวิปัสสนากรรมฐานจนถึงเป็นผู้ก่อตั้งศูนย์พัฒนาศาสนาแคมสนที่เขาค้อและมอบให้มหาจุฬาได้เป็นที่ฝึกอบรมสมาธิวิปัสสนาแก่พระนิสิตนักศึกษาจํานวนมากจนถึงปัจจุบันหนังสือของอาจารย์พรที่เด่นที่ควรสนใจกันมากคือเรื่องเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายที่เรียกว่าโอปปาติกะกําเนิดหนึ่งในสีประเภทกายทิพย์หรือผีและเทวดาเป็นต้น แนวทางการอธิบายในเรื่องลี้ลับหรือเรื่องเหนือสามัญวิสัยของอาจารย์พรจะแตกต่างกับคนอื่นค่อนข้างชัดเจนโดยอธิบายสภาพความเป็นจริงโดยละเอียดที่อ้างอิงพุทธพจน์จนถึงบาลีในพระไตรปิฎกอย่างเป็นเหตุเป็นผลและเน้นไปที่ความเข้าใจหลักกรรมหรือหลักปฏิจจสมุปบาทโดยเน้นที่หัวข้อวิญ ญ, ญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปอันเป็นหลักสําคัญของพุทธศาสนาเป็นการศึกษาที่ให้รู้ให้ชัด เพื่อปล่อยวางที่ได้จริงต่อไปซึ่งการศึกษาหนังสือของอาจารย์พอนั้นควรจะได้อ่านหรือฟังหมดทั้งเล่มเพราะว่าถ้าหากฟังแค่บางตอนบางส่วนก็อาจจะเข้าใจผิดหรือมองแนวทางสอนของท่านผิดไปได้นะครับนอกจากท่านจะอธิบายธรรมด้วยความแตกฉานทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติแล้วท่านยังสามารถติดต่อกับโอปปปาติกาได้ทั้งดยการรับกระแสจิตโดยตรงและผ่านสิ่คนสาคัญที่มีตัวเป็นสือ่อ คือคุณสีเพนจะตุทัศีผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศาสนามหาจุฬาแคมสนซึ่งผ่านการพิสูจน์ทดลองจนมั่นใจว่าเป็นของจริงทั้งคำอธิบายธรรมที่ลึกซึ้งการอธิบายกฎหลายอย่างที่เกินกว่าการศึกษาของผู้ที่เป็นสื่อในการติดต่อแม้แต่การพูดภาษาโบราณที่หาคนรู้จักน้อยมากหรือการอธิบายภาษาบาลีในขั้นสูงที่อาจารย์พรท่านแตกฉานด้านนี้อยู่แล้ว ท่านยังต้องแปลกใจกับคำอธิบายที่ได้ซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่คนหลอกลวงหรือมโนไปเองจะรู้จะทำได้ขนาดนี้คำอธิบายในเรื่องเหนือสามัญวิสัยส่วนหนึ่งจะได้มาด้วยการถามกับเทวดาที่มีความรู้ความชำนาญในด้านนั้นๆซึ่งจะเห็นได้ว่าเทวดาแต่ละองค์ไม่ได้รู้ไปทุกอย่างและรู้ไม่เท่ากันและหลายเรื่องมนุษย์น้อยคนจะรู้ได้จริง เช่นสภาพชีวิตหลังความตายการได้ถามกับคนที่อยู่ในภูมินั้นจริงย่อมได้คำตอบที่สมเหตุผลและน่าเชื่อมากกว่าซึ่งผู้มีสติปัญญาไตรตรองด้วยเหตุผลเมื่อได้ฟังคำอธิบายถ้าไม่มีอคติหรือไม่ใช่คนใจแคบไม่ยอมเปิดรับข้อมูลใหม่ๆย่อมจะรู้เองว่าคำตอบเหล่านั้นน่าเชื่อเพียงไรข้อสาคัญในการศึกษาเรื่องพวกนี้เมื่อฟังการเล่าของเทวดา หรือการติดต่อทางวิญญาณก็ตามต้องเข้าใจจุดสําคัญด้วยนะครับว่าภพภูมินั้นมีหลายชั้นและแต่ละชั้นแยกย่อยไปตามจริตตามความชอบและความเชื่อได้อีกมากสภาพแวดล้อมที่เล่าหลายครั้งจึงมักจะมีสภาพต่างกันเหมือนการเล่าสภาพของโลกในโลกใบเดียวกันแต่เป็นคนละท้องถิน่นถ้าไม่เข้าใจจุดสําคัญเรื่องนี้ก็จะทําให้มองเห็นเรื่องพวกนี้ที่คนเล่าต่างกันนั้นเป็นเรื่องแต่ง หรือจินตนาการไปเองได้ซึ่งท่านว่าความแตกต่างกันนั้นย่อมเป็นเรื่องธรรมดาแต่ในสวรรค์หรือในภพภูมิชั้นเดียวกันนั้นสิ่งที่เหมือนกันคือความสุขและความทุกข์ที่ได้รับในระดับเดียวกันเช่นคนไทยตกนรกมักจะเห็นต้นยิว้วแต่ฝรั่งตกนรกไม่เห็นต้นยิว้วแต่ก็รับทุกข์ทางกายและใจเสมอกันจึงอยากขอให้เปิดใจลองฟังให้จบ หรือฟังเพิ่มเติมจากหนังสือของอาจารย์พรในเรื่องอื่นประกอบด้วยก็จะได้ความรู้ที่กว้างขวางยิ่งขึ้นแล้วเลือกเชื่อในเหตุผลที่ท่านเข้าใจถ้าเรื่องใดเห็นว่าไม่อยากเชื่อก็ปล่อยผ่านไปก่อนมีโอกาสค่อยหาเวลามาฟังซ้ำอีกหลา ย, ลายครั้งอาจจะทำให้ท่านเข้าใจได้มากขึ้นส่วนตัวแล้วอา่านหนังสือของอาจารย์พรบางเรื่องต้องอ่านซ้าไปซ้ามากว่าจะเข้าใจได้เท่าตอนนี้ต้องใช้เวลาถึงหลายปีนะครับ และเห็นชัดว่าความเข้าใจธรรมนั้นจะสัมพันธ์กับทานศีลภาวนาของเราด้วยถ้าพื้นฐานคุณธรรมไม่มากพอก็ไม่มีทางเข้าใจหรือเข้าถึงธรรมได้จริงบางทีคิดว่าเข้าใจแล้วผ่านไปหลายปีมาอ่านมาฟังอีกทีอาจต้องตกใจว่าที่ผ่านมาไม่รู้อะไรจริงเลยสักเรื่องเดียวขอฝากข้อคิดไว้อีกสักนิดสาหรับท่านที่กาลังสงสัยในเนื้อหาของหนังสือแนวนี้ ที่อาจรู้สึกว่ามีการบรรยายจนมองดูไม่น่าเชื่อหรือดูเหมือนนิยายหรือภาพยนตร์ซึ่งความเป็นจริงแล้วภาพยนตร์ต่างหากที่นำแนวคิดจากหนังสือแล้วเรื่องเล่าจากคนที่เจอมาจริงมาทำเป็นหนังเป็นละครในภายหลังหรือบางครั้งก็เพราะเทวดาเพ่งกระแสจิตส่งมาที่นักเขียนให้เห็นภาพในหัวจนบรรยายหรือวาดภาพออกมาใกล้เคียงกับของที่มีอยู่ในโลกทิพย์ซึ่งต้องย้ำว่าเป็นบางชั้นบางภูมิ บางท้องถิ่นเท่านั้นหรือเมื่อจิตสงบระดับหนึ่งก็เห็นภาพครั้งที่ตนเคยเกิดเป็นแบบนั้นมาในชาติก่อนโดยต้องเข้าใจนะครับว่าการบอกเล่าของคนที่ได้เจอมาจริงบางครั้งก็อาจอธิบายไม่ตรงสภาพความเป็นจริงนักอยู่ที่การศึกษาและความชำนาญในการใช้ภาษาให้คนอื่นเห็นภาพตามเปรียบเหมือนคนป่ากับนักวิทยาศาสตร์ไปเห็นสิ่งเดียวกันมา แต่เวลาเล่าอาจไม่ตรงกันหรือปัญญาได้แตกต่างกันหรือแต่ละชาติอาจเล่าถึงสภาพแวดล้อมต่างกันได้ด้วยบุญบา ร, รมีและพบแห่งสวรรค์หรือนรกที่เป็นคนละชั้นกันโดยแยกย่อยไปได้อีกมากตามอุปาทานความยึดมั่นในจิตของแต่ละคนแต่ทั้งนี้ก็ต้องเข้าใจด้วยว่าเรื่องพวกนี้มีทั้งที่เล่าจากเรื่องจริงและเล่าจากจินตนาการหรือแม้แต่เป็นอาการทางประสาทเกิดภาพหลอนขึ้นเอง ซึ่งคนที่จะแยกแยกได้ถ้าเข้าฌานสี่จนติดต่อเองไม่ได้ก็ต้องศึกษาให้เข้าใจในหลักสําคัญก่อนเท่านั้นส่วนตัวแล้วเท่าที่เห็นจากสื่อผู้วิเศษคนดังทั้งหลายยังไม่เห็นใครหน้าเชื่อถือจริงเท่าไหรเลยนะครับหลายรายดูแล้วก็รู้ว่าหลอกลวงหรือจิตสร้างภาพขึ้นมาหลอกตัวเองยังไม่นับกับที่ติดต่อได้จริงแต่โดนผีปลอมตัวมาหลอกว่าเป็นเทพนั้นเทพนี้หลอกให้หลงบูชา ผ่ากันเข้ารกเข้าพงเสียคนไปก็มากบางรายดูว่าน่าจะติดต่อได้จริงแต่เวลาอธิบายมักดูขาดเหตุผลหรือยังไม่กระจ่างให้ยอมรับได้เพราะยังไม่แตกฉานในทฤษฎีได้แต่เล่าไปตามที่ตัวเองเข้าใจคล้ายกับมนุษย์ยคหินบังเอิญข้ามเวลาไม่เห็นโทรทัศน์อาจเข้าใจผิดไปว่ามีคนเข้าไปอยู่ในจอสี่เหลี่ยมนั้นได้จริงๆหลายราย มักอางว่าติดต่อเทพติดต่อผีได้แล้วรู้ไปทุกอย่างซึ่งความจริงทำไม่ได้เพราะเทวดาก็เหมือนคนเก่งที่ถนัดต่างกันแล้วรู้ไม่ได้ทุกอย่างทุกเรื่องหรือหลายครั้งก็เป็นการเข้าใจผิดของเทวดาเองโดยเฉพาะเทพที่ยังไม่บรรลุธรรมความไม่เข้าใจเรื่องอนัตตาย่อมเป็นมิจฉาทิฏฐิให้มองเห็นตามจริงได้ยากหลายครั้ง ที่อ้างว่าติดต่อหรือมีเทพมาเข้าทรงแต่กลับพูดภาษาเดิมของตนไม่ได้ก็เป็นตัวอย่างของเทพลอมที่มโนไปเองหรือโดนผีเถวนั้นมาสวมรอยแทนเป็นผีหลอกของจริงการจะดูว่าใครเป็นของจริงถ้าศึกษาสักหน่อยจะเห็นชัดเลยนะครับว่าส่วนใหญ่ไม่ใช่เรื่องจริงแทบทั้งนั้นโดยเฉพาะที่บอกว่าติดต่อได้ทุกคนทุกเวลาซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ คนปกติยังไม่ตายยังเจอกันยังคุยได้กันยากต้องพร้อมทั้งสองฝ่ายซึ่งเรื่องพวกนี้มีรายละเอียดที่ผู้สนใจด้านนี้ควรศึกษาให้เข้าใจหลักเพื่อจะได้พิจารณาได้ถูกว่าของจริงเป็นอย่างไรจะได้ไม่ถูกหลอกลวงให้เสียเงินเสียเวลาหรือเกิดมิจฉาทิฐิด้วยการครบคนผ่านพวกนี้บางทีพาหลงทางไปไกลจนยากจะย้อนกลับได้ง่าย ท่านผู้สนใจแนะนำให้ติดตามเสียงานหนังสือของอาจารย์พรซึ่งมีอยู่หลายชุดและทางชมรมผลดีจะจัดทาออกมาให้มากที่สุดเท่าที่จะหาต้นฉบับได้นะครับเสียงอ่านโดยอาริยคุณร่วมจัดทาโดยเจ้าภาพหลักเอกลักษ์เลิศวรลักษ์สุการลลยาและนภัสเตชายืนยงสุภาพรโภคาพาณิชเจ้าภาพรองครอบครัวอริยชาิพดุงกิจ